แต่ยนเม่หลายวันนี้เป็นวันศุกร์วั น, น, วนคำช่วงนี้อากาศหนาวเริ่มมาเย็นนี่นก็แปลว่าร่างกายก็ต้องพร้อมเพ ร, พระาะควาเจ็บค่ได้ป่วยความร่นเรามาก็จับทากันแะล้วมันทำให้เราเดือดอนคือเดินน้ำไปลไมที่เรามีอยู่ นั้นเส้นใดมีคุณเส้นนั้นมีโทษในตัวของมันเองทั้งหมดก็อยู่ในตัวเราแต่ว่าเออที่เรามองในขณะที่เรามองเรามองผัดแยกดินใจมันก็รู้เป็นดินไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราน้ํามันก็จะเป็นแม่น้ำอม้ยน้องของมันมือไหนก็ตามท่านรวมตัวกัน ธาทั้งสี่รนพถึงเราพูดถึงธทั้งสี่ที่มันประชุมรวมกันนอกจากร่างกายของเราจริงก็คือเรื่องถึงเขื่อ น, นขือนมีครอบทุกอย่างเป็นแหล่งของธาตุทั้งสี่ก็คือเดินน้ำไฟและประลมมัประชุมรวมกันนเรว่าเขือน มันสำคัญถ้ามันประชุมกันมันมีกําลังมันมีพลัง ม, มีคุณคภาแต่เมื่าอยู่ในตัวเราเรามองไม่ออกเรามองไม่เห็นว่าตัวเรานั้นเป็นเด่นนดำไปลงก็ได้จำได้จากตรางรามันเจอคนจรงนิงๆแล้วไม่รู้จักอเมื่อมันไม่รู้จักก็กเลยก็ อ, อยู่กันไป นคนต่างอยู่เดินเดินยืนเดินนั่งนอ น, นต่างมารหมทแล้ราะอะไรราวาสติสติเราไม่ใช่คนไม่ใช่มงวนไม่ต่อเนื่องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอนั้นโบราณอาจารย์ทันชาลาให้เอาเราผูกมัดม ก, กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทำซ้าๆมาบ่อย่าง้โอ้พุทโธใหายจะเขาโอ้หาจะออกโธเพราะฉะนั้นเป็นเครื่องมัดลมหายใจเครื่องมัดคือมัดจิตมัดใจเราไวมันหลักในนั้นเราออกไปเที่ยวเราทราบทำไมว่าในนาทีหนึ่งหนึ่งจิตเราไปเที่ยวคือวอาไปที่ไหนไปถึงไหนไม่รู้แอ่ถ้าเป็นบ้านเราสมมติเป็นบ้านของเรา ถ้าคนเข้าคนออกเอามันต้องอะไรมาแค่วันหนะึ่งมีไม่กี่คนเราอยู่กันไม่กี่คนบ้านเรายาังสกปรปกรบรุงรังลมเข้าลมออกที่คนแตละพักแล้วก็ขัดจัดทาความสะอาดบ้านแล้วก็สะอาดสะอา้านจิตงเราเหมือนกัน แต่มันเป็นเขาิ่งไปวิ่มาอยู่ร่างกายร่างกายคือบา้านสารพัดจนนับใน่ถ้วนเพราะนั้นคนเราก็เหมือนกับจิตเราทีนี้มันถ้าเอาของไม่ไดีเข้าบ้านมันเป็นของเน่าของเสียเอาเชื้อโรคมันก็เข้าบ้านเรามันก็สกปรกมันก็มีแต่เชื้อโรค จิตนั้นเหมือนกันมันเป็นกอดเป็นต้อนสิ่งต่างกมาเอาไว้ในใจของเราใจของเราถ้าไม่กั้นกองถ้าไม่ไปเจามาอย่างดีทีทุ่นมันเหมือนกับเอาหยาึ้นเข้าไปยาพินคืออะไรความไม่ดีอารมณ์ไม่ดีดทั้งหลายเนี่ยทิ่ไหลมาทางตาทางหูทา ง, มงจมูกเราก็บเก็บเอาไว้ของไม่ดีและสุดท้าย ผลก็มาเขาแสดงออกทางนี้ไม่ดีตรงข้างข้าวถ้าของดีเข้าไปจิตของเราไี่ได้ของดีเอาง่ายๆเหมือนกับครอบราอาหารที่เรากินเข้าไปในร่างกายถ้าเรากินของหมูของเนาของเสียเข้าไปร่างกายของเราก็ได้รับของหมูของเนาของเสียสุดท้ายมันก็ไม่รับอย่างดีที่มันไม่รับมันขับออกมาแต่จิตของเราเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้น เราไม่เคยคิดพิจารณาเลยว่าอารมณ์ไหนดีอารมณ์ไหนไม่ดีเก็บหมดเอาไว้ในใจหมดสุดท้ายมนะันก็ฟิตออกเดตก็อย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่มิเราจะไปโทษใครแต่เวลามีเรื่องขึ้นมาเรามันจะไม่โทษตัวเองเราจะไปโทษปัจจัยภายนอกคนนั้นคนนี้คนนูนสิ่งนั้นสิ่งนี้นสิ่งนูนปัจจัยนั้ น, ไ, นไม่ได้โทษตัวเองว่าทั้งหมดนั้น เกิดจากตัวเราเองเหมือนข้ปลาหานี่กินเข้าไปแต่เราไม่กินตั้งแต่ที่แรกมันก็ไม่มีผลอะไรเปรียร้ยวหวานมันเค็มมันก็อยู่ข้างนอกมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราเลยเมื่อเราเสพกินดื่มเข้าไปมันเข้ามาสู่ร่างกายเหมือนกันอารมณ์ที่อยู่ข้างนอกอารมดีอารมไม่ดีสารพัดที่มีอยู่ของดีของไม่ดีสารพัดถ้าเราไม่ เ, ามะะาเามอามาข้างในไม่ผ่านทางหูจมูกหการใจเราไม่เก็บ ไม่อยากให้เราเข้ามามันก็มีประโยชน์มันก็ไม่มีผลต่อร่างกายของเราเช่นเดียวกันทั้งนี้ก็เพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือสติทําไมเราบอกว่าสติสําคัญที่สุดเพราะว่าตราบใดก็ตามทาีใจเรามันมีสติคํากับมันลําบากท่านบอกว่าร่างกายของคนเรานั้นถ้า ไม่มีลมกำกับคือลมหายใจเข้าต้องหายใจออกเข้าไปแล้วไม่ออกออกไปแล้วไม่เข้าร่างกายมนุษย์ผู้นั้นชื่อว่าตายอันนี้คือลมอันแปลว่าลมมีชีวิตมีผลต่อร่างกายทำให้เรามีชีวิตอยู่คือต่ออายุต่อชีวิตเราได้อเองและจิต่ะ มีอะไรไปขึ้นต่อมีอะไรไปขึ้นอะไรยงมีอะไรไปขึ้น อ, อยู่เจตของเรานั้นถ้าปราศจากสติคือขาดสติเมื่อใดก็ตาง ม, มันไม่ต่างอะไรกับคนตายแล้วภาพให้เรานึกภาพง่ายๆว่าคนนอนหลับมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเหมือนเดิมแต่ปิดไ ม, ม่ตามไม่ได้ยินดัง ก็คือไม่มีสติกํากับดูแลร่างกายในขณะนั้นซึ่งมันไม่ต่างอะไรคนตายถ้ามีลมอยู่ทตอนนั้เองลมมาตัวเรี้ยงถ้าจิตออกจากร่างในขณะนั้นก็คือตายไม่ความสําคัญของสติเพราะฉะนั้นสติเนี่ยถ้าใครประจากษ์สติเมื่อไรมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนตายบาันร้ายในขณะนั้นเพราะนั้นสติกับลมหายใจ โบราณท่านฉลาดเอาสองอย่างมาผสมรวมกันให้จับอันนี้เป็นหลักคือเป็นตัวประสานก็คือปุถโธคือคําบริกรรมลมหายใจเขา้าออกมันมีนอยู่แล้วเขา้าออกแล้วก็สติสามอย่างสามเสือประสานกันคือทํางานด้วยกันถึงธรรมชาติเราแยกกันแต่สติจเรื่องหนึงลมเรื่องหนึ่งปุทโธเรื่องนึงอันนี้ไม่สามขีกัน กย่าที่เราเห็นเห็นกันเป็นกันอยูย่มันก็เป็นเรื่องบางทีพอคิดขึ้นได้ก็ออกอุปโธอุปโธไปสักอาคารไปจิตออกไปวิ่งออกไปเที่ยวเองเนีย่ยมันขาดไม่ตอม่อเนื่องสามเสืมให้ประสานกันเพราะฉะนั้นสติถ้าจะให้มันคงที่เป็นมหาสติจริงๆ ก, ก็คือที่อยู่ของสติที่สติคนจะยึดควรจะถือเอาไว้เป็นหลักในการปัจจาเพื่อ ให้สติเราไปอยู่ข้างนอกจนมากเกินไปอย่างนี้ไปเที่ยวพูดง่ายๆทา่านจึงบอกว่าให้เราเอาสติอนองเราไปฝากไว้กับกายฝากไว้กับเวทนาฝากไว้กับจิตฝากไว้กับธรรมสี่อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเบื้องต้นก่อนฝากไว้กับกายคือเพื่อมิจิตลมหายใจพุทโธสามอย่างนี้ได้ในระดับหนึ่งอาจจะชั่ครั้งชั่วคราวดูอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องขนาดต้องไปเอปกกรดารม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 ใ <ye ol. S 2> นเงี้ยแลจิตมจะไปส่อง อ, อกมันจะไปดูคนอื่นมันจะไม่ดูตัวเองนั่นคือธรรมชาติของมันเรื่องอย่างนี้ถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดคือไม่ฝึกนั่นะคือไม่ฝืนธรรมชาติคือปล่อยเป็นธรรมชาติมันก็จะไหลไปตามนี้มันคืออารมณ์ไหลไปตามอะไรไหลไปตามสัญญาอารมณ์คือความจําที่มีอยู่จำแหนดจำที่เคจำมาอ่านเรียนรู้อะไรกันแล้วแต่ก็จะรวรวมแล้วก็คือสัญญาเรียกว่าอารมณ์เป็นไหลเข้าแล้ว สติมัฝากไว้ตรงนั้นดึงเข้ามาให้มันมีสัญญาอยู่กับกายกายที่เราเป็นอยู่นี่เจตีเราท่องเราบนสัตยายเมือาขยันทุกวันทุกวันคืออาการ3าสองพิจารณาให้ครบถ้วนทุกประการเรียกว่าพิจ า, ารณากายเรื่องกายหยาบเรื่องกายากายในกายก า, ายละเอียดอันต้องอาศัยนิมิตเป็นเครื่องหมาย เราไม่อว่ากันเอาลูกายหยาบๆไปก่อนให้เข้าใจรายละเอียดทีทั่วท่างต้องแท้การทนึ่ให้มันช้ำนานวเวลาจะตัดอารมณ์ข้างนอกออกตัดก็คือตัดจริงๆเราจะตัดมืจอจาอธิบายวา่าตัดมันก็จะสั้นลงตัดอารมณ์ออกตัดออกตัดออกนในกายมือกายนี้มันเต็มไปด้วยอะไรเวทนาเย่าสักพักมันเรานั่งตรงนี้เวทนาก็จะมาเยือนแล้ว พราะเราอย่าปฏิเสธเวทนาเวทนาเกิดขึ้นให้เรารู้นะตั้งอยู่ให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้มันก็จะดับไปโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติของมันให้อยู่กับเวทนาเวทนาขราดนั้นเป็นเวทนาอะไรเป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาหรือว่าอุเบกขาเวทนาก็ให้รู้ให้กระจา่างให้ชัดขึ้นมาในใจให้มันชํานาญนะ เมื premises, so 1, years, ่อปรานำชำนาญเข้าใช่ไหมหมายว่าสติเราเข้มคนมาเข้ามาเข้าสุดท้ายเราก็จะเข้าใจว่าอไอ้ที่เวทนานเป็นอะไรเวทนาเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอกุภะเวทนาและมันก็จะต่อได้ว่าเวทนานี้มันเป็นเวทนาของกายแล้วเป็นเวทนาของใจพวกยังไงือทุกกายเราทุกใจถ้ามันแยกออกสุกกายสุกใจด้วยเฉยเฉยคือวางอารมได้คือวางอารมณ์ได้ นั่นคือเวทนาก็ให้สติอยู่กับสิ่งเหล่านี้เมื่อสติอยู่กับเวทนาเนี่ปุ๊บมันก็จะดื้อกายอืกายที่อย่มันจะดื้อจิตก็จะจออยู่กับเวทนาจอไปสักพักมันก็จะดับอจิตมันก็จะดับมันดับเพรว่าเกิดความสงบขึ้นมาให้อยู่ความสงบตามความสงบไปสักพักเด็กมันก็รู้ตัวให้เิ่มยนะคําว่ารู้ตัวก็คือสติัองเอง อย่างเดิมที่เราไม่รู้ตัวมันก็จะรู้ตัวขึ้นมาในวัดเมสติสติมู้ดสติรับรู้มันก็จะรู้ทันีว่าอันนั้เป็นเวทนาเอรอะไรตามที่เราย้ำใจที่เราคิดตามที่เรพิจารณาตามที่เฝึกตามที่เราฝืนเวทนาเวทนาต้องฝืนเวทนาเกิดขึ้นด้วัตทุปุจยางบอกมันไม่สอนให้เราละเวทนาหรือทุกขเวทนาเนี่ยเกิดขึ้นท่านให้เรา กำหนดหถ้าเราคิดว่ า, ามันจะต้องละมันให้ได้แต่กัญชาอันใไม่มีใครชน ะ, ะมันไม่มีใครละมันได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของจิตมันก็จะอยู่อย่างนี้มีทุกคนแต่ใครจะมองเห็นมากเห็นน้อยเท่า น, นั้นเองถ้าใครมีสติทุกคนก็จะมองเห็นมากคือเห็นโทษที่คุณของมันอันนี้เดี๋ยวเอาสติประวัติมันก็เวจน า, นา กายพิจานณาจิตดูจิตในจิตโดยใช้ว่ามันรู้สึกทุกข์มรุงอะไรมันแต่งอะไรสังขารนี่เป็นสังขารของอะไรเมื่อช้าพูดสังขารโทดสังขารทำแต่วันนี้แล้วก็ยอ่อผู้สั้นมาสังขารี่มันปรุงแต่งเรื่องอะไรเป็นเรื่องโรคหรือเรื่องธรรมแต่เป็นเรื่องโรคบอกไม่มีที่สิ้นสุดก็ตัดออกแต่เป็นเรื่องธรรมยิ่งคิดมากยิ่งปรุงมากยิ่งบริกรรมมากมันเจืเหลือแต่อารมณ์อันเดียว เทกาคาตาลมสรุปก็คือเอาหลงหลงนะั้นไม่มีที่สิ้นสุดแต่นางแค่ตะวันไม่มจบสุดแต่ถ้าไป็นเราทางธรรมนั้นมันมีจบสรุปคือจิตสงบโยเทกาคาตารมนั่นคือเป้าหมายปลายทางแต่ถ้าจิตไม่สงบมันก็เหมือนเดิมตัม้ไม่รู้จัดหายไป น, นะจิตทำยกธรรมะขึ้นมาขึนะ้นมาธรรมะคือธรรมชาติที่มันเป็นอยู่เรียกว่าสัจธรรมที่มันมีอยู่รอบๆตัวเราที่เราประสบพบเจอท้งหูทางตาจมูกร่างกาย สัมผัสด้วยอะไรก็ตามให้โอปนิชโญน้อมก็มาในขณะนั้นให้รู้ด้วยความมีสติหรือสติกำกับเยอช่นนั้นนี้แรกเราคัพิจารณาอย่างนี้ทีละตัวทีละตัวทีละเรื่องอันนี้คือสติปฐานแปลว่าฐานหรือที่ตั้งที่อยู่ของสติถ้าไม่องนันแล้วมันจะไม่อยู่กัสิ่งเหล่านี้ก็าไปว่าสติมันไม่มีฐานมันไม่มีที่อยู่มันก็ไปเรป่อยเที่ยวไปเรื่อย แรกๆทาอย่างนี้ให้มันชำนานสุดท้ายเมื่อจิตเราเข้าถึงที่มัจิตสงบแล้วสี่ตัวเนี่ยมันก็เหมือนกับตัวเดียวกันมันไม่ได้มีหลายตัวพอจิตสงบแล้วยกขึ้นมาคือความรู้สติเกิดตัวรู้เรว่าผู้รู้สติสตเป็นผู้รู้คือพุโทโธรู้ตัวตัวรู้มันต่างกันนะ ก็รู้ตัวแล้วมีสติตัวรู้ตัวตัวสติีตัวพุทโธมันต่างกันก็รู้ตัวขึ้นมาเรื่อสติวิ่งอาตัวเองไม่อะไรก็ตามให้สร้างตัวผู้รู้คือตัวรู้ก็คือพุทโธนั่นเองมันเป้าหมายข้อควาาจย์ได้วางไว้กับพวกเราทุกท่านฉลาดมากการพูดพุทโธตัวเดียวนะมันท่านบอกว่าทําอะไรก็สําเร็จจับตัวพุทโธอย่างเดียวไม่มีอะไรน่ากลัว มันพุทโธตัวเดปราบได้หมดลมหยาบลมกลางลมละเอียดปราบได้หมดเจเลยขนาดหยาบขนาดกลางขนาดละเอียดปราบได้หมดพูดถึงนสามขั้นตอนก็เหมือนกันในใจของเราก็เหมือนลักษณะเหมือนกันหมดก็คือหนึ่งแบบหยาบธรรมดาปื้อปื้อจะเป็นอารมณ์อันนึงเป็นกลางกลางเริ่มละเอียดขึ้นมาหน่อยสุดท้ายคือละเอียด ดูดูลมหายจจเขาออกอย่างหานใจอของพวกเรธรรมดาลมธรรมดาถ้าเรากำหนดลมหายใจออกธรรมดาธรรมดาหายใจเข้ายาวยหายใจออกอย่างอันนี้หยาบหยาบลมยาบพร้อมกับตัวรู้ก็คือสติกําหนดเข้าไปเข้าให้รู้ว่าเข้าออกให้รู้ว่าออกอย่างเนี้ยทําให้มันชํานาญก่อนเอาตรงนี้เป็นหลักักสติกากับลงไปอันนี้หยาบหยาบสุดท้าย ถ้าเราทำฌานแค่สูบลมหายใจเข้าปล่อยให้ใจออกแค่นี้จิตมันก็จะตั้งขึ้นมาโดยอัตโนมัติมันจะเป็นขึนอัตโนมัติไม่อจิตมันตั้งแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเพราะว่าตัวรู้คือผู้รู้มันเกิดขึ้นแล้วสิ่งทั้งหมดทั้งปวงที่มันเป็นผัสาะเกิกระทบมันจะเป็นเรื่องกายวิญาณจิตธรรมทั้งหมดที่มันมากระทบมันกระทบกระทบใจถ้าเรามีผู้รู้คือตัวรู้แล้ว มันก็จะรู้ว่าอะไรกระทบกระทบมันเกิดขึ้นอยู่มันตั้งอยู่แล้วมันจะดับไปยังไงมันจะรู้ขั้นตอนจนสุดท้ายปลายทางคือดับเพราะนั้นจิตถ้ามีสติเข้มแข็งเข้มแข็งเข้ม ข, ข้นอย่างต่อเนื่องแล้วธรรมชาติของสติมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือรู้เรื่องการเกิดกับการดับให้ดูอยู่อย่างนั้นดูแค่รู้ว่าอ๋ออันเกิดแต่วันก็ดับ ก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับขึ้นจิงนั่นเองมันเกิดดับเกิดดับกิดดับตลอดเวลาซึ่งต่างกับคนเราการจริงๆแล้นการเกิดการดับมนุษย์รู้จักการเกิดการดับตั้งแต่เกิดจนตายพูดง่ายๆการเกิดเป็นคนก็คือนี่ก็คือเกิดนั่นเองมัชาติตายแปลว่าเกิดมรณะตายคือดับแต่ว่าถ้าพูดถึงชาติกับมรณะแล้วระยะเวลามันทิ้งห่าง จนเราลืมไม่ออกว่าเกิดแล้วจนเข้าใจว่าเกิดแล้วมันจะไม่ตายสุดท้ายก็คือมันเป็นยังไงที่จริงก็คือไม่อยากตายมีอารมณ์มาเกินมาแล้วไม่อยากตายแต่ว่าอยากเกินแต่ไม่อยากตายเอ่อเราย้ขึ้นมาเป็นงานนี่คือธรรมะมีตัวที่สีคือกายเวทนาจิตธรรมยกขึ้นมาเวทนาว่าอืมนุษย์เนี่ยถ้ามันเกิดแล้วมันไม่ตายมันจะเป็นยังไง เกิดอย่างเดียวนะไม่มีการตายสัตว์เหมือนกันทุกสิ่งในโลกนี้เกิดขึ้นแล้วไม่มีการตายเลยไม่มีการร่มสลายก็คือไม่มีการดับมันจะเป็นอย่างไรบางคนเก็มนุษย์คนเต็งไปด้วยคนแกบบ่คนเฒ่าออนอนคพวงครางมันเป็นร้อยเป็นพันตปอจะอยู่กันยังไงมันเป็นไปไม่ได้การเกิดขึ้นมันจะต้องดับนะแต่ว่าดับเร็วดับช้า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 ยังช้ากว่าจิตเพราะจิตได้มากสัจจัญมากๆากแต่เราไม่เคยดูไม่เคยศึกษาไม่เคยพิจนนะารณาละโมัวจะเอาจิตเนี่ยไปฝากไว้กับอะไรก็ไม่รู้ฝากไว้ไว้สัญญาอารมณ์รูปเสียงกิริยภลพย์พระธรรมอารมณ์มันอยู่ข้างนอกไม่ได้ฝากไว้กับสี่ตัวนี่คือกายเวทนาจิตธรรมเราก็เลยกลายเป็นคนไม่มีหลักไม่มีรอยไม่มีเครื่องยึดขึ้น่องตัเครื่องเนียว สุดท้ายกหลักเลื่อนลอยอยู่ไปวันวันสุดท้ายเวลามีอะไรเครื่องขึ้นมาเกิดเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ความโกของหลงก็ดีแต่มันก็ไม่ต่างกับตัวเราก็เกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้จักความรูเกิดขึ้นไม่รู้โลกก็คือโลภเป็นอยากมันก็อยากได้อยากมีอยากเป็นเนนี้โละได้ตอนนี้ไม่พอได้บ่ายจะได้ห้าได้ห้าจะได้สิบอย่างนี้เป็นต้นไม่รู้จกพออันนี้โลภเกิดขึ้นเราไม่รู้จัก โมหะโทษะเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้จักาแอันนี้คือรากเหง้าถ้าเป็นต้นไม้เกิดตอนนี้คือรากเหง้ารากที่ทําให้ต้นไม้ยืนจีพอยู่ได้ในชีวิตมนุษย์เราก็เหมือนกันถ้าเราเข้าใจถึงรากเหง้าตัวตนที่แท้จริงของจิตแล้วจิตมันผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งตันี้เป็นตัวบอลทาลายที่เจ้าของคนของมนุษย์โลกก็อยู่กันกันนี้อันนี้เราพูดถึงแค่คน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 ถ้าจิตมันของเราคือความฉลาดความจิตมันอยู่ในระดับใดมันก็จะไหลไปตามนั้นตามขั้นเป็นขั้นเป็นตอนของมันแต่ถ้าเจิตเราอยู่ระดับอย่างพวกเราท้านละไหกลับมาอีกก็ไหลกลับมาที่เดิมเหมือนเดิมก็ยังดีสมบูรณ์อาการสันสอเหมือนเดิมทั้งเมื่อกลับมาแล้วมันไม่เท่าเดิมแสดงว่าขาดตัวแสดงว่ากรรมที่เราทำมามันไม่เหมือนกันซึ่งเราเก็เห็นกันอยู่มันสามารถเห็นได้ ก็ตาหนังธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเพื่ะนว่าเห็นแล้วมันไม่เกิดปัญญาเกิดจะแค่สัญญาเอรู้ว่านี่เปนแค่นี้นีนไม่เกิดแล้วมันเห็นแล้วมันเกิดแค่สัญญามันไม่เป็นปัญญาแล้วมันเกิดปัญญาแล้วมันก็แสงสงว่างวาบขึ้นมากลางดวงใจอ๋อที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะอย่างนี้นโกบนาคโกนอนเข้ามาหาสติสติมันมวิ่งอยู่กับกายเวทนาจิตตั์อะไรอย่างนึ่ง ถ้ามันอยู่กับเอกกตอารมณ์ได้เป็นการดีมันก็จะวางอารมณ์ทั้งหมดทั้งปวงมีแล้วก็จะรู้ตัวกายก็ม่มีเลยแตจิตคือผู้รู้เข้ามาเราจะเห็นว่าพอจิตมันมันคือความสงบมันดับอะพูดง่ายๆเกิความสงบนี่มันต่างคนคนอนหลับคนอหลับเนี่ยเขาอยู่กับความฝันก็คือนิมิตนั่นเองพอจิตมันอยู่กับอะไรตอนนั้นกายไม่อยู่กับกายละ เราจะเวทนาเจตธรรมเพราะฉะนั้นพราอื่นเขามีแค่เวทนากายเขามีแต่เจตธรรมแลก็มันจึงมีละถอนปล่อยวางอย่างพวกเราไม่ได้เพาะทาไมเราเคยสงสัยมาว่าพราะอื่นยกเว้นพระพุทธเจ้าพระอริยะเท่านั้นที่ไปโปรดเข้าเหล่านั้นได้เพราะว่าเขาไม่มีกายอยากอย่างพวเราเมื่อมันมีกายอยากก็เหมือนกับปนฝันมีกายก็เมืนก็ไม่มี คอเกิดในกายนะจําได้ไม่รู้เพราะสัญญาแต่ว่ากายอย่างหยากๆอย่างพวกเรานะไม่มีเพราะฉะนั้นการที่การจะละทอนปล่อยวางสักขยาทิฏฐิคือการห้าอันนี้จึงเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นมนุษย์เราโลกของมนุษย์เราจึงเป็นที่ฝึกฝนพัฒนาตนเองเพื่อละทอนปล่อยวางธาสี่การห้าเพราะคนชาติอืเขาไม่มีอย่างเรามีค็เหมืนก็นมีในฝันอย่างที่ลายฟัง มันก็ได้เนี่ยฝันก็มีตัวมีตนเหมือนกับเราแต่ว่ากายหยาบๆของเราไม่มีมันไม่มีอย่างพวกเราที่เห็นกันอยู่ะฉนั้นใครที่เรามีกายหยาบก็เป็นดีเดียงนคือเราสามารถทําให้เกิดปัญญาในสิ่งนั้นได้แต่ถ้ามีแล้วก็ไม่ใช่ไหมเป็นประโยชน์มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมันก็มันก้องสิ่งอื่นได้ก็มีกายเหมือนกระรองนกหนู ปู่ปาที่เขาก็มีเหมือนกันว่ามีกายเหมือนเราแต่แต่เขาไม่มีอย่างเราคือจิตไม่สามารถฝึกได้เพราะเกิดเป็นคนเป็นมันถรดวคนโชคดีมากๆในนาฬิกาเราโชคดีนะอยจะไปคิดอย่าไปรประมาทคือประมาทก็คือปล่อยสติแล้เลยไปวันวันหนึ่งไม่มีหลักไม่มีฐานมีเครื่องผูกมีเครื่องอยู่อย่างนี้เรียว่าปล่อยชีวิตไปวันวันอย่างนี้นพุจจาเราชื่อว่าเป็นผู้ประมาท ผู้ประมาทก็คือไม่ต่างอะไรกับคนนอนหลับก็ยังดีหนอ่อยขึ้นขมาแต่แท้จริงผู้มปมาทก็คือคนที่อยู่ปัสจาวปพอดีเขาบอกเหมือนคนตายคนหนักทขนาดนั้นก็คือไม่ได้ประโยชน์ะอะไรพูดอย่างเง้ยก็อยู่ไปวันหายใจก็หายใจเข้าแล้๋ยวก็หาจใจออกผู้ ม, มาจะต้องบกว่าหายใจถึงบอกเสียดายวันวันหนึ่งได้หายใจทิงหายใจทิง้ง หายใจเข้าหาย ใ, ใจออกไม่เกิดประโยชน์อะไรวันนั้นต้องระมัดระวังเหมือนกันเพวัะนั้นในขณะที่เรามีลมหายใจอยู่ก็ใช้ลมมานนี้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดคือดมดูลมหายใจเข้าไม่อยากออกดูลมเขา้าดูออกแล้วก็สุดท้ายมันจะเหลืออารมณ์เดียวคือเอากาคาดารมเมื่อเป็นอารมณ์นั้นอารมณ์ก็ยกขึ้นมาพิจารณาทาอันใดก็ได้สิ่งใดก็ได้รูปร่างกายที่เรามีอยู่ทั้งหมดน คุยกขึ้นมาพิจารณาอย่างเนี้เรียกว่าใช้รูปร่างกายอันนี้พิพจารณาโดยใช้สติเพราะฉะนั้นนึกบอกว่าครูบาอ า, าจารย์มีเปรียบว่ารูปร่างกายของเราเนี่ยเปรีย <c oughs> บเสมือนหินรับมีดตัวสติปัญญาคือมีดถ้ารับไปบ่อยมีดถารับไปบ่อยมันก็คมคือมีดมันก็จะคมมันก็จะแหลมอย่างนาดการมีแล้วถ้าใช้บ่อยก็เหมือนกันมันก็จะถือได้เพราะฉะนั้น ในหลักการอันนี้ผบอกว่าเมื่อเราพิจารณาธาตุสี่ขันอันี้หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่จนจิตมันอ่อนมันล้ามันหมดกําลังก็ทําความสงบใหม่คือฝนใหม่ฝนมีดใหม่ให้ ม, ม, ม, ม, มันคมใหม่ค่อยๆมาปาดค่อยมาเชื่อมใหม่ถ้าเราทำมาปานในขณะที่เมีดมันยังไม่คมมันก็ไม่แทนอะไรมันก็มีทือท่อๆนะเราเป็นปาดเป็นมันก็ไม่ีประโยชน์นะสติของเราต้องเหมือนกัน ถ้ามันไม่คมไม่แหลมพอคือมันมีสติปัญญาพอก็ไม่สามารถที่จะปาดกิเลสปาดหนังปาดธาตุสีกันธาที่มันมีอยู่นี้ใมันดุให้มันหายให้มันหมดไปไม่ได้เนนั่นเป็นเครื่องฝนอย่างดีธาตุสีกันหน้าาฉะนั้นถ้าใครพลเมีดคือสติตัวนี้แหลมคมมากเท่าใดบนเชื่อเป็นวิปัญญาเจียบแหลม มันแหลมคมก็สามารถที่จะทําอะไรก็ได้ฟาดฟันกิเลสตัญหาราคะมรณะทิฏฐิที่มีอยู่ในใจนั้นอห้มันลดน้อยถอยลงไปตอนนี้ถ้ามีมีมันทื่อือยู่เนี่ยใครจะไปกลัวมันไม่กลัวเกเลสมันไม่กลัวหรอกตอให้ปานเข้าไปมึงปล่อยยืนให้ฟันอยื่ในแทงอย่างไีมันก็ไม่เข้าสติปัญญาเราไม่แหลมคมมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นที่เราฝึกรหัดจุทุกวันก็เพื่อต้องการให้ เรเกิดสติปัญญาแหลมคมให้รู้เท่าทันกิเลสก็คือท่าสี่กันห้าเพราะฉะนั้นที่อยู่เป็นหลักใจจริงๆก็คืออย่าลืมให้มองที่เป็นหลักก็คือสติของเราต้องมีหลักต้องมีฐานก็คือสติปัญญาสติทั้งหมดเนี่ยก็ ค, ค่อยพิจารณาตรงไหนก็ได้ถ้ามาันกระทบดู ร, รู้กาย ร, รู้กายเวทนาเกิดขึ้นรู้เวทนาะรู้จิตอมันปรุงแต่รู้จิตกายเวทนาจิตทำสุดท้ายมันก็จะเป็นธรรมะคือเกิดธรรมะขึ้นมา กึ่ดธรรมะคือรู้จักความจริงธรรมะคือธรรมชาติรู้ความเป็นจริงที่มีอยู่เรียกว่าสภาวะธรรมเรียกว่าสัจธรรมรู้ตามความเป็นจริงความเป็นจริงก็แปลว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันกระดับไปไม่คือความจริงของมันไม่ทุกสรรพสิ่แต่ทุกวันเราไม่ได้รู้ความจริงรู้เฉพาะการเกิดรู้เฉพาะการตายแค่นีน้มันไม่ได้เป็นองค์รวมองค์ประกอบเป็นเรื่องเดียวกันเรามั่ง ม, งมองแยก ความโลกควเรื่องหนึ่งความโกรธเรื่อ ง, อง ก, ก็หลงเนึ่งหนึ่งหงกกุดงิดเรื่องหนึ่งตาจมูกเรื่องไกลเรื่องหนึ่ง ม, มันไม่ไรวมกันรวมมาเป็นกา ย, กายกตัวตนเราเป็นเขาเนะี่ยมันจะเป็นที่มาของคนลําบากดังนั้นถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้นนแล้วก็เพิ่เข้าใจเลยว่าทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะไม่มีใครทําให้เราเป็นน้องมีหรือลาบากหรือร้อนแสบอะไหน นอกจากตัวเราเองเหมือ น, นกับปลาอาหารก็รจะมีกําลังแล้วก็ต้องกินต้องดืง่มกันเข้าไปถ้าไม่กินไม่ดื่มมันก็มีกําลังว่างชาว่าจะไปทนใครไม่ได้จิตก็เหมือนกั น, นเรื่องอาหารของกายอาหารที่นี่คือธรรมะอาหารไอ้ทีเราไม่เอาธรรมะเข้าไปเลยหรือว่าเอาสติมอาปัญญาเข้าไปเลยเสติรรยยปัญญายที่ ม, มีอยู่มันก็ยี่วให้มันมันก็ลดน้อยสักระคือมันไม่มีกําลังมาทําอะไรไม่ได้ มันทำอะไรกับธาตุสี่ันธานี้ไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้มันต้องมีกําลังเพราะนั้นถ้าเราฝึกเนี่ยต้องการให้เรามีกำลังเระนั้นเบื้องต้นมันบอกว่าให้มีความเชื่อใน่งเหล่านี้นะพระพุทธเจ้าบอกเชื่ออย่างเดียวยังไม่พอต้องมีความเพียรก็คือพยายามมิจะเชื่อว่าเออนั่งสมาธิ ด, ดีแลนะออดีไปวัดดีนะดีเป็นความเชื่ อ, องฉยๆมันเป็นกิดเบื้องต้น แต่ไปวัดได้ดีแล้วไม่ไปทำสมาธิปฏิบัติสมาธิดีดีนะดแต่ไม่ทำอะ่ะมันจะได้ประโยชน์อะไรการทำบุญดีนะแต่ไม่ทำมันไม่ได้ประโยชนแล้วอันนี้คือศรัทธาในเบนนื้องต้นคือศรัทธาตอนนี้ไม่เกิดมันก็เหมือนก็ไม่มีกําลังแล้วสัทธาเกิดอารมณ์ตนนำไปกำลังศรัทธาศรัทธาความเพียรความเพียรก็คือความพยายามที่สืบ ต, ต่อต่อเนื่องกับศรัทธาตอนนี้มันไม่เกิดศรัทธาวิญญาสติมันจะมาจากไหน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 มันเป็นโทษเข้ามาทางตาก็เป็นโทษเข้ามาทางหูก็เป็นโทษมาทางปากก็เป็นโทษเป็นโทษหมดเลยเพราะมันมีกําลังไม่ีความแก่กายเรียกว่าอินทรีย์ไม่แก่ตามีอินทรีย์แก่ข้างเมื่อไหร่แล้วพละกําลังที่มันมีอยู่ก็สามารถทธิฟาดฟันกิเลสกาอมาตถิสิวิญญาณกายของเราเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็เราสู้ได้ถึงไม่ชนะเลยทีเดียวอย่างน้อยก็ ได้สู้กันสักตังแต่เราไม่สู้เลยไว้คิดเลยเหยียบเอาเหยียบเอามันเห็นอะไรก็สัตว์ไว้เห็นเฉยเลยโดยทห้เป็นธาตุเช่นนี้แล้วก็เป็นอยู่างนี้มาตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่ลองไปสู้กับมันมันมีทางที่จะชนะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราชนะก็สิ่งหนึ่งนะเหมือนกับชนะตัวเราเองก็คือชนะหูมหรือกายใจก็ตัวเองนั่นคือชนะตัวเราเองแต่ถ้าเราชนะคนอื่นเช่นปาดปานกันฆ่ากัน ด่าทอกันด้วยกายรีด้วยอะไรก็ดี้วยจิตก็ดีทุจรายกันไม่มีทางที่ชนะเลยมีทตจะเศร้าจะมองหนักก็ไปอีกไม่เจนเพิ่มเติมไม่จะควบความหนาก็ไปอีกไม่มีบางลงไม่ลดน้อยถอยลงไปการปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายก็เพื่อสําหรับนี้เพื่อชีวิตจิตแจของเราดีขึ้นเบาบางมันจะเดิน สติมากขึ้นจิตใจก็จะเบาไปเบาไปเบาไปคลายก็บวกลแกก็บวจิตก็บวเบาไปเรื่อยๆมันมีกระในระดับเดียวกันถ้าจิตมันยึดหมดมันถือหมดมันเอาหมดมันก็หนักหนักก็มันพันแข่งปันกาไปไหนไม่ได้จุตท้านก็อยู่กับโลกเลยมันเลยรู้จักทำเลยรู้จักแต่โลกโลกโลกอย่างเดียวโลกมันมีที่สิ้นสุดแต่ธรรมนี่มีที่สิ้นสุดอย่างไรก็เถีย อย่างไรก็ตามโลกกับธรรมนะมันก็ต้องอยู่ด้ยวยกันเป็นของคู่กันในโลกก็ต้องมีธรรมมันอยู่อย่างนี้พอปุณเทศท่านเขียนอไว้หนังสือเล่มหนึ่งท่าใครได้เคยอ่านไปหาอ่านซะนะมันบอกว่าสิ้นโลกเหลือธรรมไหนี้โลกธรรมนะไรสิ้นได้ถ้าสิ้นโลกเหลือแต่ธรรมล้วนๆนี่มันอยู่ได้สบายสบายถ้ามีแต่โลกอย่างเดียวไม่สิ้นโลกมันหนักหนักมาก ต้องระวังสำหรับคนที่ปฏิบัติใหม่ปฏิบัติเกา่าปฏิบัติดีอยู่แล้วก็ววพยายามต่อยอดให้มันดีขึ้นพยายามให้มันสิ้โลกก็คือหมอนโลกให้เหลือแต่ทำรุนล้วนเป็นดีที่สุดในขณะนี้การท่านยังไม่หมดทางโลกยังมีอยู่เป็นภาระว่างอยู่ก็พยายามให้มันน้อยลงถ้าเป็นภาระน้อยลงพยายามทําให้ตัวเองให้มีสัญชาตคือตั้งใจตัวเองให้มีมีเป้าหมายให้ชัดเจนเพรางั้นแล้ว การก็อยู่กับโลกก็อยู่ไปอย่้อยู่กับธรรมก็อยู่ไปงั้นไม่มีสัจจะคือความจริงใจถ้าเรามีสัจจะแล้วมีนจะมเป้าหมายเออถ้าเราอยู่กับโลกได้เท่นี้แต่ไปเราก็จะอยู่กับธรรมโลกคลองโลกมานานแล้วคองหลังธรรมบางนะมันก็เชื่อว่าจะเป็นชนะตัวเราเองเพราะนั้นก็ขอให้เราต้องหลายได้ช่วยอยู่กับอยู่กับโลกก็ ไ, ได้อยู่กับธรรมก็ ไ, ได้ถ้าเรารู้จักสองทางแต่ถ้ารู้จากโลกอย่างเดียวลําบากสุดท้ายก็ จากที่เราเห็นก็อยู่เกิดแก่เจ็บตายแล้วก็หมดนีเกิดดับแล้วก็หมดมันนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นแล้วไอ้รู้จักการเกิดการดับการเะไรแล้วก็ดูการเกิดกัรดับการเกิดกัรดับแค่นั้นเองขั้วใยของเราทหลายก็ดูแค่นี้ดูว่าอะไรเกิดแล้วก็กระดับกระดับกระดับท่านไม่ได้สนใจเรืของนิสิตางจิตั้งเกิดอิสระจะอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดมันจะดับก็เป็นเรื่องของมัน พระท่านยุ่เหนือสิ่งเหล่านี้ท่านเองเรียกว่าบุญท่านก็นไม่เอาบาปท่านก็นไม่เอาท่านพอแล้วทนเต็มแล้วท่านเหนือสิ่งเหล่านี้เรียกคนเหนือคนนั่นคือเป้าหมายในการปฏิบัติของเราก็ขอฝากให้เราทั้งหลายก็ค่อยเป็นค่อยไป อ, อย่าลืมโลกอย่าลืมธรรมโลกก็เอาบ้างแต่ธรรมต้องเป็นต้นใจอย่าให้โลกใหญ่กว่าธรรมอาโลก์ให่กว่าธรรมก็อย่างที่เราเห็นเห็นอยู่ขอให้ เอาทำเป็นใหญ่อย่าเอาลลกเป็นใหญ่ก็ฝากพวเราสำหรับวันร้านนี้เอาไว้เพียงเท่านี้